พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ลำดับที่2โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15มกราคม2557มีชื่อเรื่องว่ายึดสายหลวงปู่มั่นให้มั่นคง วันนี้เป็นวันที่สิบห้ามกราคมพุทธศักราช2557ห้าสบเจ็ดเป็นวันพระขึ้นส5บห้า่ำเดือนสองเป็นนี้วันนี้เป็นวันพระใหญ่เรื่องงานของหลวงปู่ของเราก็ผ่านไปแต่บัดนี้พวกเราได้กลับมาสู่วัดก็อยากจะให้พวกเรา ตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติเมื่อเราใช้งานเราก็ยืดหยุ่นออกไปทำหน้าที่ในการใช้งานในความคิดในการกระทําในการพูดทุกอย่างเราก็คือออกไปใช้งานแต่บัดนี้เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเข้ามาสู่กลมกองฮะเข้ามาที่มั่นเราก็พยายามทํา อีกในระดับหนึ่งต้องอกตั้งใจภาวนาคือเตรียมพร้อม เ, อเตรียมพร้อมสู้กับกิเลสภายในใจของพวกเราแต่ดูๆแล้วก็นับตั้งแต่หลวงพ่อลงไปหลวงพ่อก็สบักสบอมพอสมควรเป็นอัดเป็นวัดเป็นอายก็ยังไม่หายขาดเหมือนกันน ะ, ะยังมีอยู่แต่ก็ดีขึ้น เพราะว่าวัดอยคนแก่เป็นอย่างนี้แหละอาจจะให้หายขาดทีเดียวไม่ได้แล้วแต่เราก็รู้พอร่างกายเราใช้มานานจะเข้าเจ็ดสิบปีอยู่แล้วเราได้ขนาดไหนมันก็ขนาดนั้นละ่ะเราไม่คิดว่ามันจะหนุ่มไปข้างหน้ามีแต่มันจะแก่ไปเรื่อยๆแก่ไปหาไหนแก่ไปหาตายเราก็รู้ได้เพียงแค่นั้นแต่ไม่รู้จะตายวันไหนเราก็ไม่รู้ แต่ว่าเลี้ยงไปเรื่อยๆโขนเขาก็บอกว่าให้หลวงพ่อรักษาสุขภาพด้วยดีโดยเทินหลวงพอ่อให้รักษาสุขภาพดีๆ ด, ด้วยหลวงพอ่อเออหลวงพ่อรักษาสุขภาพอยู่แล้วหายใจทุกวีดทุกเวลาหายใจเข้าหายใจออกกันคือรักษาสุขภาพถ้ากันใจเมื่อไหร่ก็ไม่รักษาสุขภาพจากนั้นก็พักพอนอนฉันอาหาร เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกับชัญญ้นยาตามอัตภาพหลวงพ่อรักษาอยู่แล้วรักษาสุขภาพอยู่แล้วอะแต่ลราจะรักษาไปได้ดีขนาดไหนถึงวันไหนก็ต้องมีวันจบอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็ต้องคิดไว้ในใจเสมอแต่รักษา น, นก็ต้องรักษาอยู่แล้วละ่ะลูกสุขภาพถ้าไม่รักษาสุขภาพจุดหายใจเมื่อไรก็เมื่อนั้นละวันตาย เราก็รักษาสุขภาพด้วยกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าถึงยังไงจึงจะรักษาขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งมันก็ต้องถึงจุดจบของมันร่างกายนี้ไม่เป็นอย่างอื่นให้เราคิดไว้ในใจเสมอคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ลรวก็ร่างกายสังขานมิใช่ตัวตนของเรานะใจนะอย่าไปลุ่มหลงมัวเมานะร่างกายเนี่ยไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่ง ไม่ว่าไม่เรื่องใดก็ตรงเรื่องนึงอย่างพวกเราได้เห็นในสื่อต่างๆนั่นแนหะบางทีก็ฆ่ากันบ้างบางทีก็ตกรถตกเรือตายผ้างตกเครื่องบินตายบ้างจมน้ําตายบ้างหัวใจวายตายบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยตายบ้างอฆ่าฟันลันแทงกันตายบ้างเ อ, อมันถ้าบรรยายไปแล้วไม่มีที่สิ้นสุดในความตายของมนุษย์ความตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนะเราก็ในน่ะ อยู่ในเครือข่ายนั่นแหละเครือข่ายสัพพสัตว์ในโลกนั่นแหละไม่รู้ว่าเรื่องอะไรละจะมาเกิดกับเราเราก็พร้อมที่จะรับกรรมของเราที่ได้กระทำไว้ทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับในเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั้ น, น, นเพราะเหะ็นไรไม่ยอมรับได้อย่างไรมันมาเกิดกับเราแล้ว พรชีวิตของมนุษย์ชีวิตของสปรปสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างนี้เป็นไปอย่างนั้นถ้าเกิดอยู่ในโลกวัตสงสารเว้นเสียแต่ทำจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวัคิเลสถึงแดนพนิพานนั่นแหละเป็นแดนแห่งความกเกษมสําราญมดไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัตสงสารเป็นอนันตการนั่นแหะจุดหมาย สูงสุดของพระพุทธศาสนาจุดหมายสูงสุดของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนพวกเราอย่าให้ติดอยู่ในโลกอย่าตั้งความหวังว่าในโลกจะมีความสุขสุขก็เหมือนกับเอาทานกอ่อไฟไม่สูดโยนข้าวเหนียมนล่อนงก็โยนไปข้างหนึ่งเพียงแค่นั้นละ่ะ ความสุขที่หว่าไม่มีฐานไฟอยู่ในฝ่ามือเท่านั้นเองนี้ก็เหมือนกันร่างกายของพวกเราจิตใจของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นถ้าคิดถูกให้ดีนะถ้าไม่คิดก็ไม่เป็นไรอยู่แบบเชยเชยเมย่อยไปเรื่อยไม่คิดไม่อ่านก็ไม่มีอะไรถ้าเราใช้ปัญญาคิดแล้วจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้น ในขณะช่วงนี้หลวงพ่อไปพูดนักสถานที่ใดถ้าเป็นพระสงฆ์ศรัทธาญาติโยมมานั่งฟังผู้ปฏิบัติธรรมมานั่งฟังหลวงพ่อจะเน้นแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเป็นหลักนะทำไมหลวงพ่อจึงเน้นจุดนี้หลวงพ่อให้เหตุผลว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ พ่อแม่ต้นตระกูลของเราคือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนี่ที่ท่านแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านลูกศิษย์ลูกหาของท่านคือใครนับตั้งแต่ปู่สิงขันธยาขโมหลวงปู่มหาปิ่นหลวงปู่เทศพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลายระดับจนมาถึงที่เราเป็นลูกศิษย์ลูกหาอย่างหลวงปู่ล่าอย่างนี้ หลวงตามหาบวัวหลวงปู่จ้ามหลวงปู่แววนที่หลวงพ่อเคยจําพรรษากับท่านกันอกนั้นกับไปมาหาสุหลวงปู่ชิงทองหลวงปู่ต่างหลวงปู่ฝันหลวงปู่ซิบฉิมหลวงปู่วันครูบาอาจารย์ที่เราให้ความรักเคารพนับถือสรุปแล้วก็คือเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น เป็นลูกของหลวงปู่มั่นพ่อเข้าศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่นได้ยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแต่นี้พอมาถึงพวกเราเนี่ยเป็นหลานแลยนะท่านนะเป็นหลานของหลวงปู่มั่นนี่แหละหลวงพ่อเองก็ยังเป็นห่วงเป็นห่วงไม่ใช่เป็นห่วงตนเองเป็นห่วงตนเองก็ห่วงส่วนหนึ่งแต่ว่าห่วงพวกน้องๆทางหลาย แต่ละตระกูลทั้งหลายแต่ละพ่อทั้งหลายบางคนก็แนนาจิตตังนานาทัศนะเอาแนวเรื่องเือหรื อ, รอสีชีภัยบัง่งเอาเรื่องกรรมาฐานอย่างอื่นที่ตัวเองว่าดีแล้วเอาอมาปฏิบัติบั่งเพ่งอย่างง้น เ, เพ่งอย่างนี้กำหนดจังนั้นกำหนดจนังนี้ดูดิมิตจังนู้นดูใิมิตจังนี้ ข่าวทรงอย่างนั้นข่าทรงอย่างนี้นข่าวสิงอย่างนั้นข่าวสิงอย่างนี้เทววดาอย่างนั้นเทวบุตรอย่างนั้นมีมากหลากหลายเริ่มจะเห็นเห็นออกมาออกมาเป็นระดับระดับติโลทวงเนี่ยทติลงพ่อดคิดวิตกกังวลคือจะห่างเหินออกจากแนวแถวแนวปฏิปทาหรือว่าแนวปฏิบัติของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนอะไรท่านสอนถอนลูกศิษย์ของท่านถ้าจะทำจิตใจให้สงบให้ภาวนาบริกรรมพทรุทโธอันนี้คือเป็นหลักลวบใครจะยึดกรรมฐานอันไหนก็ได้สี่สิบอย่างแต่หลวงปู่มั่นนท่านเน้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโรในกรรมฐาน อนุสติสิบนั้นท่านเอาสองอย่างมาใช้มาปนวกกันคืออนุสติก็คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขาจนถึง10แต่ในสิบนั้นมีพุทธานุสติกับอาณาปานสติอาณาปานสติแปลว่ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือ กรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นต้นตระกูลของพวกเราสอนลูกศิษย์ของท่านสอนลูกของท่านตั้งแต่หลวงปู่เทศหลวงปู่สิงห์หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เขาถ้าเราในดูในในธรรมเลขิตของแต่ละองค์ในประวัติของแต่ละองค์ใ ห, ให้ศึกษาดูประวัติลองปู่ขาหลวประวัติหลวงปู่รุ่น ประวัติหลวงปู่เทศประวัติหลวงปู่อ่อนประวัติหลวงปู่สิงห์หลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าถ้าเราศึกษาดูแล้วเราจะรู้ได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของสายของเราเนี่ยหลวงปู่มั่นแนะนําให้ภาวนาพุทโธเป็นหลักนี่แหละอันนี้คือกรรมฐานที่จะทําจิตใจให้สงบเรียกว่าสมถะสมถะคือทําจิตใจให้สงบ ติดใจให้นิ่งให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจเข้าพดแล้วก็หายใจออกโธให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกถ้ามันเผลอไปให้กลับดึงกลับมาเองปันเผลอไปให้กลับมาอีกแต่ถ้าเรานั่งไปภาวนาไปมันลมหมด พอนั่งไปลมละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดกำหนดลงเข้าไปลมหมดอย่าไปดูลมให้ดูตัวผู้รู้นะทา่านบาสให้ดูตัวผู้รู้อย่าไปดูลมอย่าไปกำหนดลมอีกถ้าไปกำหนดลมเข้าไปแล้วมันจะยาบดูตัวผู้รู้นะใครรู้ว่าลมหมดให้เอาสติจับอยู่ตรงนั้นแต่บางคนมันไม่เห็นกระทั่งผู้รู้แสดงว่า มันห ล, ลงสละหลงซนหลงเงินแล้วนั่น ถ, ถ้ารู้ว่าเรหมดใครรู้ว่าเรหมดก็รู้เอาสติจับอยู่ตรงนั้นแต่บางคนก็ถามว่าจิตต้องผ่านอัปปนาสมาธิเสียก่อนใช่ไหมจึงจะพิจารณาได้ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพราะว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทุกครั้งนานๆมันจะเข้าได้ครั้งหนึง่ง เข้าชมสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยจิตใจเข้าสู่ความสงบเว้นเสียแต่ท่านผู้นั้นชำนิชำนานอั่นั้นไม่ว่ากันถ้าพวกเราท่านทั้งหลายโดยมากจะเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้ยากแต่ถึงก็เถอะถ้าจิตอยู่พอประมาณจิตของเราอยู่พอประมาณจิตนิ่งพอประมาณใครให้พิจารณาเลยพิจารณาเกษาผมโลม า, นนาขนาคาเลพันตาฟันตะโจหนัง บางทีมันจะเข้าสู่ความสงบในขณะที่เราพิจารณาปล่อยวางเข้าไปเป็นอัปปนาสมาธิช่วงนั้นก็ได้พอใจของเราไม่ปรุงไปทางอื่นเราดูเพ่งกาหนดดูร่างกายของเราพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาร่างกายคนอื่นเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็คือมองร่างกายคนอื่นหลังเราไปเห็นหมาตายอย่างนี้ในถนนอย่างนี้ เออมันเน่าเฟะมีแต่ตั ว, ตวนอตอย่างนี้หรือเห็นคนตายอย่างเนี้เออมันแห้งเหี่ยวไปหมดเน่าเฟะไปหมดเออบางทีก็มีตะกระดูกอย่างนี้แหละเป็นอาจารย์ใหญ่อย่างนี้แนะ่ละเราก็น้องมาหาตัวเองเราเปรียบเทียบนอกอันนั้นคือเปรียบเทียบนอกแล้วก็มาเปรียบเทียบในก็คือตัวเองข่านะอีสักวันหนึ่งถ้าเขาไม่เผานะเขาจะถือเป็นอาจารย์ใหญ่นะเขาเออกไปสตาร์อยู่อย่างนั้นน่ะ มันก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเขานี่แหละมีอวัยวะครบซุกส่วนเหมือนกับเขานี่แหละอันนี้แปลว่าเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในให้ดูร่างกายของตนเองเหมือนกับเขาไม่แพ้กันแต่ส่วนจิตใจนะ่จะไปที่ไหนแต่ตัวผู้รู้นมามธรรมตัวนั้นแ่ะตัวนั้นสำคัญที่มันออกจากร่างไปแล้วเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยมันมันเป็นโครง สร้างเฉยๆแต่ใจของเราเขาไปอยู่ในโครงสร้างนั้นเปรียบเทียบดูอันนี้แปลว่าเดินทางวิปัสสนาแล้วนะลักษณะนี้แปลว่าเดินทางวิปัสสนาจิตขนาดจิตขนาดไหนจึงเดินทางวิปัสสนาอย่างนี้ได้พอจิตใจรวมอยู่พอสมควรถ้าว่าจิตใจของเราไม่ภาวนาจิตใจคิดปุงฟุ้งไปทางอื่นพิจารณาได้ไหมก็ได้ แต่ประกลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดแต่อีกสักวันหนึ่งในเมื่อมันรู้จักผิดต่อไปมันก็รู้จักถูกเหมือนกันนะ ล, ลองลองหลายครั้งต่อหลายหนเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดเราจะไปคิดจะไปตั้งใจว่าจิตต้องเป็นหนึ่งสก่อนเป็นอัปปนาสมาธิสักก่อนเราจึงนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาอันนั้นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแนวทางคิดที่ผิดนะผิดเกินไปไม่ถึงขนาดนั้น เราจิตใจพอเราอยู่พอสมควรกับพิจารณาได้ละพิจารณาร่างกายของเราเนี่แหละเปรียบเทียบนอกในอย่างที่ว่านี่แหละอันนี้คือสมมตฐานสมมาฐานี่คือทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้นิ่งถ้าจิตใจของเราไม่นิ่งจิตใจของเรากระสับกระส่ายจิตใจของเราปรุงฟุ้งอยู่ตลอดคิดไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เราจะมาพิจารณาสิ่งเหนาทีไ้ไม่เห็นปัญญาของเราควบคุมจิตไม่อยู่สติของเราควบคุมจิตไม่อยู่จิตของเราออกนอกรูกนอกทางเพราะนั้นต้องบังคับอใจของเราอยู่นิ่งฟังเท่าไหร่บังคับการเดินกขาบังคับขาขวาพุทธขาซ้ายโท เวลานั่งภาวนากำหนดลมหายใจเข้าบางครับหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้มันอยู่กับลมหายใจเขา้าหายใจออกเรือาขาขวาพุทธขาซ้ายโทให้มีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้ละคือกรรมาฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาที่เราได้ศึกษาในธรรมลิขิตรืร่าประวัติของแต่ละท่านแต่ละองค์ จากนั้นเมื่อเราบางท่านบางคนพอนั่งไปแล้วทำจิตพอจิตใจสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรพอจิตใจสงบมันจะเกิดนิมิตขึ้นมาผู้อย่างนี้ก็มีนะพอเกิดนิมิตขึ้นมาก็ไปยึดนิมิตว่าท่านบอกจะงั้นท่านบอกจะนี้ไม่ใหม่เมื่อก็มีเขามีโครงไปในทางที่จะถูกต้องแต่ต่อไปทนี่มันส่ายไปเรื่อยเท่นี่มันสังขารมันหลอก สังขารมันหลอกตัวเองผลในสุดก็ไปวิ่งตามสังขารน่เออคือสัสงขารคือความปรุงแต่งของจิตใจมันชอบอะไรมันก็ปรุงแต่งไปทางนั้นเลยพอไปปรุงไปปรุงไปนั่นแหละไปใหญ่เลยถึงถือว่าตัเองเป็นบุคคลสงคัญตัวเองว่าเป็นคนรู้คนฉลาดเป็นผู้รู้รอบชำนิชำนาในการภาวนาผลในสุดเอาเข้าไป เข้าไปเรื่อยๆตาแข็งขึ้นเรื่อยๆเพื่จะเป็นบ้าเอาเะนียอืมเพราะเหไรเพราะจิตใจสรงออกนอกนี่แหละจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติใหม่พอจิตใจพอนั่งภาวนาะจิตใจได้ความได้รับความสงบเยือกเย็นแล้วก็เกิดนิมิตขึ้นมาก็หลงไหลในนิมิตพอหลงไหลในนิมิตก็หลงทาง พอลงทางไปนักษณะเกิดวิปัชนูท่านอุปกปกิเลสกิเลสเข้ามาแอบแฝงในตัวตัวเองว่ารู้ๆนั่นแหละไอ้อัน น, นี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปหลงนิมิตนะอย่าไปส่งทิตออกนอกนะอย่าไปดูตามนิมิตนะในเมื่อเห็นนิมิต จะเป็นเทวดาเทวปุตอินพรมคนล้มคนตายสิ่งไหนก็ตามแต่พอเห็นแล้วก็ให้ย้อนจิตกลับมาหากรรมฐานเดิมกลับมาหากรรมฐานพุทธโธ ท, ที่เราตั้งไว้ต่ที่แรกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะอย่าไปดูมันจิตใจก็จะเข้าความสงบเป็นหนึ่งนิมิตเหล่านั้นมันจะหายเหมือนปิดทิ้งเลยถ้ากลับมาหากรรมฐานเดิมแต่ถ้าว่าเราส่ง ไปดูนะมันจะเหมือนกับฉายหนังนะม้วนนี้ละม้วนนั้นม้วนนั้นละม้วนนี้เออนั่งอยู่ทั้งวันทั้งวันทั้งคื น, นจะไปเห็นเรื่องราวต่างๆเหมือนกับเราถือไฟฉายแล้วก็ส่องไปนะเนี่ยเมื่อเห็นไฟฉายก็ส่องไปมันก็เห็นนะเห็น <ST S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันน่าจะเห็น เ, เห็นต้นไม้ภูเขาเห็นสัตว์สาธรสิ่งเห็นยังอะไรแล้วมันได้อะไรสิ่งที่เห็นนั้นมันได้อะไร สิ่งที่รู้เหล่านั้นมันได้อะไรถ้าว่าไม่มีทำมันก็เห็นไม่จะเห็นจากว่เห็นเผอเผอสําคัญว่าตัวเห็นไปไปเห็นเมืองนอกเมืองนาไปเห็นสิ่งเหล่านั้นกัเอามาเป็นเนื้อเป็นหนังตัวเองเป็นบุคคลสําคัญว่าได้เห็นจะเห็นแล้วมันได้อะไรก็ไม่ได้อะไรถ้าได้ความรู้ความฉลาดมาปรับปรุงแก้ไขใจของเราพอเห็นอะไรเห็นคนตายพุ๊บเราก็น้อมมาหาตัวเองเออชีวิตของเราเนี่ย เห็นในนิมิตเน่ยตัวเองตายอีกสักวันหนึ่งเห็นเขาตายอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตายอย่างนั้นนะใจนะอันนี้แปลว่าได้ได้กำลังถ้าไปเห็นอย่างนั้นแล้วน้องหมาตัวเองอย่างนั้นได้กำลังถ้าไปเห็นอสุภปฏิกูลแล้วเห็นน้องหาตัวเองได้กำลังเห็นคนตายออกมาแล้วได้กำลังเพราะเหตุเพราะน้อมไปในอนิจจังเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งอย่างที่เราเห็นในนิมิตถึงจะเป็นนิมิตก็เป็นเครื่องบ่งบอกเป็นกําลังแต่ถ้าเราไปเห็น เ, เทวปุตรเทวดาผู้ที่ทําลายทายทักวันนี้ละท่านนี่ละจะเป็นบุคคลสาคัญท่านนี่ละเป็นบุคคลเลิศประเสริฐท่านนี่ละจะเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคต ถ้าเขาบอกพยากรณ์อย่างนั้นให้ระวังให้ระวังอย่าไปตามอย่าไปเชื่อและอีกสักวันน่แหละเดี๋ยวเราจะเป็นบ้าพูดง่ายๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นเราต้องหันกลับเข้ามาสู่หลักวิปัสสนาเลยเสู่สมถะเบื้องต้นไหนกำหนดลมหายใจเข้าอย่างไงหายใจออกอย่างไงวุิกรรมพุโทโธอย่างไงปฏิเสธเลยไม่เชื่ อ, เ, อเราไม่เชื่อ ถึงเราจ ะ, จะเชื่อขนาดนั้นก็ไม่ต้องเชื่อต้องปฏิเสธไว้ก่อน น, น, นิมิตเหล่านั้นแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าเรามีจิตใจเข้มแข็งเป็นนิมิตที่บง่งบอกอันนั้นมันอีกส่วนหนึ่งนะพูด ม, มีนิมิตบอกบอกไปในทางที่ดีนั้นถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความจิตใจของเราเป็นหลักดีแล้วนิมิตเหล่านั้นจะบอกขึ้นมานี่ อมันเพียงคนที่เป็นนิมิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นได้ทุกคนนะเพราะว่าร้อยในห้าเท่าเองร้อยในห้าห้าคนในหนึ่งร้อยที่เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นผู้ที่เป็นเรื่องนิมิตเหล่านั้นต้องมีครูบาอาจารย์กำกับต้องฟังครูบาอาจารย์ต้องเชื่อในครูบาอาจารย์ทำไมอย่างนั้นลนะ่ะ เป็นบ้าได้ง่ายๆเป็นไมปัสนุปัดเกลได้ง่ายๆอีกสักวันหนึ่งต้องได้ขังต้องได้ฮารงพยาบาลทำแตกละสิเนี่ยนะสงเหล่านี้ให้พวกเราสำนึกไว้อยู่เสมอให้ฟังครูบาอาจารย์ไว้อยู่เสมอถ้าเห็นนิมิตอะไรเกิดขึ้นเราไม่มั่นใจให้ย้อนเข้ามาหากรรมาฐานเดิมกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธ และกน้อมเห็นเสียงทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกับเราเห็นดินฟ้าอากาศเป็นอันนี้จังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราให้น้อมมาสู่ไตรไลลักถ้าพวกเราเห็นอะไรให้น้อมมาสู่ใตรลลักนะจะไม่หลงอ น, นี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านในแนะนำอบรมสั่งสอนให้พวกเราศึกษาจุดนี้ให้พวกเราศึกษา ให้สังเกตไม่ใช่หลวงพ่อพูดให้ฟังล้วพวกเราจะเชื่อเอาเลยก็ไม่ใช่หรือพวกเราจะปฏิเสธอย่างเดียวก็ไม่ใช่อันนี้เป็นเป็น เ, เพียงว่าเผยเปิดประเด็นให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นก็เมื่อเราทําจิตใจให้สงบแล้วนะหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พิจารณาอะไรกันให้พิจารณาร่างกายนะ เกสาผมโลมาโนาขนนาคาเล็บทันตาฟันอย่างที่ว่าเนี่ยแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเพราะใจของเรามันหลงร่างกายเพราะร่างกายในเป็นของเจ็ดสวยงดงามเป็นของจิรังถาวรเพราะเราเกิดมากับร่างกายรถร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถเราขับออกมาจากท้องแม่ของเราเหมือนกับลักเหมือนชีวิตจิตใจจริงๆร่างกาย แต่เอาเธอะอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี่มันจะไม่อยู่ชั่วฟ้าดินสลายนะเห็นไหมคนแก่เลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะเดี๋ยวก็เห็นผมขาวเดี๋ยวก็เห็นฟันหลดุดเดี๋ยวก็เห็นตาฟ้าฟางเดี๋ยวก็เห็นหนังเหี่ยวเดี๋ยวก็เห็นหลังคอมอผลในส่วนก็นอนหมดสภาพกระดุกกระดิกไม่ได้ อมีแต่ป้อนข้าวป้อนข้าวปนน้ำหามเข้าไปห้องน้ําห้องถ่ายต้องมีพี่เลี้ยงร่างกายของเราถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะมันไปในในแถวสายแนวนี้พอได้สุดถึงจุดจบหมดลมหายใจเข้าออกเจ้านั้นก่อนเอาเข้าหีบเข้าลงหลังจากนั้นก็อไปไปชุมเพลิงพระราชทานเพลิงก็สุดแท้แต่ เอาไปเข้าหงสุยเอาไปฝังดินกันสุดแท้แต่ผู้ดใดจะทําอะไรในแนวความคิดของแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่แต่ละคณะแต่ละเชื้อชาติเพราะฉะนั้นร่างกายของคนเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอยึดแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอยากจะให้ท่าอากจะทําจิตใจให้สงบ สมถะก็คือทำภาวนากําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมโพ์หายใจออกบริกรรมโธอันนี้คือสมถะหรือกรรมฐานทําจิตใจให้สงบพิธีเบื้องต้นแต่เมื่อจิตใจสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาเรดเดินวิปัสสนาพิจารณาร่างกายสังขารให้เห็นตามความเป็นจริง จากนั้นเมื่อเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยดูที่ใจเลอะไรอะไรมาเห็นกายใจมาเห็นกายตัวนามมาทมตัวรู้ๆเนี่ยนะมาเห็นกายตัวนี้แหละเป็นผู้หลงกายว่าร่างกายเป็นตัวตนของเราใจเอ้ยใจอย่าไปหลงกายนะอีกสักวันหนึ่งนะถึงจุดจบอมันักใจนะอย่าไปหลงเขานะจะไปหลงกายนะให้รู้เท่ารู้ทันเอาไว้ ใจของเราเนี่ยจะไปหลงใจอีกใจของเราก็บางทีก็คิดดีบางทีก็คิดชัว่วบางทีก็โมโหบางทีก็โกห่าบางทีก็รักบางทีก็อชอบขึ้นๆลงๆ ล, ลุ่มๆรอนๆดำๆขาวๆอยู่เนี่ยนะในใจของเราความดีใจมันที้ก็เสียใจบางทีก็ใจเฉยๆเป็นกลางๆบางทีก็ดีใจขึ้นมาก็เสียใจดีใจเสียใจอยู่ทั้งวี่ทั้งวันถ้าเรามีสติ ดูใจของเรานะนี่นะใจของเราก็เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเหมือนกันมันไม่สแตนดาร์ดไอมันไม่สแตนดาร์ดไม่ไม่คงที่ฮใจของเราไม่คงที่มันขึ้นขึ้ น, นลงลงอยู่เนี่ยจะเป็นของเราได้ยังไงเป็นอนิจจังอย่างเนี้ย น, น, นะนะปล่อยวางที่ใจใจตรงนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใจนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปล่อยวางลงที่ใจ สิ่งที่มันรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาพอเมื่อปล่อยวางแล้วนะั่นแหะใจที่บริสุทธิ์หลุดผุดพองนะมันจะเกิดขึ้นมาจากตรงนั้นแหละเหมือนกับความโง่กับความฉลาดนะี่ยนะแต่ก่อนเราเรียนหนังสือไม่ได้เราก็โง่ฮแต่พอเราเรียนกอไก่ขอไข่ภาษาอังกฤษได้แล้วนะั่นแหะความฉลาดมันก็เกิดขึ้นมาในจุดเดียวกันความโง่กับความฉลาดความรู้กับความไม่รู้นะ่ะ มันจะเกิดขึ้นในที่เดียวกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะให้ภาวนายึดตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาพวกเราจะถึงจุดหมายปลายทางการแนะนำวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจุติ